วันนี้เป็นวันมหาหมงคลแจกชาวพระสงและพี่น้องทั้งหลายที่มารวมกันในสถานที่นี้เป็นโอกาสอันดีงามที่เราทั้งหลายจะได้สนทนาปราศัยฟังอัดฟังธรรมนำไป ป, ปฏิบัติให้เป็นที่มงคลแจ่ตัวตลอดไปเพราะนานๆจะได้มาพบกันสักทีหนึ่งรวมกันอย่างที่รวมวันนี้ อหาได้ยากเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดตลอด ต, ตั้งกระตื่นนอนจนกรทั่งหลับตื่นนอนจนกระทั่งหลับก ง, ง, งจักของวัดจักรอันนี้มันหมุ่งอยู่ภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจทั่วโลกทิีแดนเพราะจะนั้นโลกจะหาความสงบสุขได้ยากในวันนี้มาทั้งสองภาค ภาพประชาชนและภาพบรรพชิตคือนักบวชเราไม่มีโอกาสสละเวัาเวลาหน้าที่การงานมาบริจาคทานและฟังอัดฟังธรรมจึงเป็นโอกาสที่ดีเลิศแล้วเวลานี้จะปล่อยให้โอกาสนี้เสียไปให้ต่างคนต่าง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 ตามหลักประเพณีที่เคยเป็นมาแต่ครั้งพุทธกาลว่าคามสีมาหาหรืออรัญยวาสีหรือขามวายสีผู้อยู่ในบ้านใกล้บ้านผู้อยู่ในป่ามีทั้งสองภาควันนี้มารวมกันเดีวขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังด้วยเยดชการเทศนว่าการสั่งสอนพระ ผมก็ไม่เคยได้สั่งสอนมาเป็นเวลานาน ย, ยิ่งเริ่มออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่แล้วก็หนึ่งว่าไม่ได้สนใจสอนพระเลยสอนประชาชนทั่วประเทศเสฉะแดนจึงไม่มีเวลาเวลากำลังบางชาวก็ลดอ่อนถอยลงไปทุกวันทุกวันแล้ววันนี้เป็นโอกาสบัลลของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนมากก็เป็นพระยุคพระหลาน ไม่ค่อยได้ยินเสียงขนบประเพณีที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาสมัยปัจจุบันในวงกรรมฐานเราเ ป, เป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายพอทราบได้ไม่มากก็น้อยในวันนี้ขนบประเพณีของพระป่าท่านนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าลงมาเี่ยให้ฟังให้ดีในจุดนี้ ครั้งพระพุทธเจ้าอันเป็นศาสด ร, ราอิในโลกทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในป่าตั้งแต่วันสเสด็จออกทรงผ น, นวชบำเพ็ญด้วยความทุกข์ความทรมานอยู่ในป่าเป็นลําดับลําดามาไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้รับความสะดวกสบายในพระกายและพระจิตมีตั้งแต่การบำเพ็ญสมณธรรมตลอด โดยไม่คำนึงถึงความลำบากลำบนซึ่งเคยเป็นมาเกี่ยวกับข้องคาราวาสจะทำให้คิดถึงบ้านถึงเือนลูกเตาหลาเหลีญพวกบริษัทบริวารเหล่านี้ท่านถึงจะคิดท่านก็ไม่ได้หนักแน่นยิ่งกว่าการคิดเพื่อบำเพ็นพระองค์ให้ไป็นจัดรรูปเป็นศาสตราเอกของโลกแล้วสั่งสอนสัตว์โลก จะได้ผลประโยชน์มากยิ่งกว่าการที่เรามากังวลวุ่นวายกับเรื่องเคยเป็นมาแต่ก่อนซึ่งเป็นขณะที่เราบำเพ็ญธรรมอยู่นี้ด้วยแล้วจงไม่สมกวดพระองค์ก็ทรงฟันฝ่าอุปสรรคบำเพ็ญเพลองทุกวิถีทางตามพระนิสัยของสยามภูซึ่งจะรู้เองเห็นเอ ง, เอ ง, เอง ไม่ต้องปึกษาประโลกกับผู้หนึ่งผู้ใดองค์ก็ทรงบำเพ็ญด้รับความทุกข์ความลำบากนิสรุปลงจนได้ตรัสรูุเป็นตรัสรู้เอกของโลกขึ้นมามีท่านตรัสรูุในป่าต้นเหตุทรงบำเพ็ญในป่าเพราะป่าเป็นที่สงบเงียบปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายมีแต่การกำจัดปัดจัย ที่เคยรบกวนหยู่ภายในพระไทยออกโดยลำดับลำดาจนในแต่รู้แล้วทรงสั่งสอนบรรดาภิกษุบริษัทจนกลายเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเนี่สรุปความที่สอนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตั้งแต่ต้นมาเรื่อยเรื่อยว่าลุกขมรลเซนาสนังนิซายาปปชาตัทธโวยาวชีวังอุซาห้กรณโย บรรชาพระสมบูรแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลูกโระมนโมไม้ในป่าในเขาตามถ้ำน้ำผาป่าชา้าป่าโลกักอันเป็นที่กําจัดกิ่เล็ดได้ง่ายกว่าป่าธรรมดาหรือที่ธรรมดาทั่วๆไปขอให้ท่านทั้งหลายจงทําความอุตสาห์พยายามบําเพ็ญอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่แปลตามครับ โว่าที่ทรงสั่งสอนบรรดาที่ศูนย์ทั้งหลายเรื่อยมาตั้งแต่ต้นพุทธกา ร, ต, รตั้งแต่จังหวัดนี้และไม่เคยลดละไม่เคยให้ขาดบัคขาดตอนไปเลยในบรรดาธรรมที่ทรงสแสดงไว้แล้วนี้เพราะฉะนั้นเวลาบวชแล้วท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาเพราะพระที่บวชแล้วนั้น เป็นผู้เสียสละในสมบัติที่เคยคุกเข้ากันมาเป็นมลานานตั้งแต่วันเกิดมามีตั้งคือเรื่องยุ่เงเยิงวุ่นวายกับการบ้านการเลือนสมบัติเงินทองเข้าของซึ่งเป็นเครื่องยุ่เงเยิงสำหรับผู้จะผู้ออกบวชท่านให้สัตว์ออกหมดแล้วให้บำเพ็งในสถานที่ดังกล่าวนี้ปาปาคนกับปาสัตว์ ต่างกันอ่าคนกับป่าไม้ต่างกันป่าคนเป็นที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ว่าใครก็ตามแม้จะพระอยู่กันจํานวนมากยังเป็นความกังวลขึ้นมาได้ไม่ต้องพูดถึงคารวะประชาชนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอืมตั้งแต่พระเรามากอยู่มากๆ ก, ก็ไม่เหมาะสมต้องทยอยกันออกไปบปําเพ็ญในสถานที่ต่างๆ ตามแต่ปิยสัสของท่านผู้ใดจะอยู่ในสถานที่ใดซึ่งเป็นสถานที่งบเงียวป่าตจากอหิมกอควนทางรูปทางเสียงติ่นล ด, ดเครื่องสัมผัสประเภทต่างๆซึ่งส่วนมากมักเป็นัยตั้งนั่งให้อยู่โดยลำพังการว่าอยู่บำเพ็ญนั้นคือบำเพ็ญยังไงเนี่ยเป็นของสำคัญอยู่ในปา่าสัตว์เขาก็อยู่ในปา่าไม่เห็นได้รับความเลอะเลออะไร ใครๆก็เคยอยู่ในป่าก็ไม่ได้รับความเลื่นเลยแต่อยู่ในป่าตามพระอุวาทคสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงให้อยู่บำเพ็ญศีลธรรมภายในตัวเองคือวิธีการบำเพ็ญ น, นั้นให้ละมัดระวังสิ่งภายนอกคูุกเสียงเสียงโลกเริ่อสัมผัสให้ไปหลบซ่อนอยู่ในป่าในเขาอันเป็น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 ขอถือโอกาสได้แสดงให้ท้าลูกกระหลานทั้งหลายฟังในฐานะที่หลวงตาได้เคยผ่านมาอย่างโชคโชนแล้วในการภาวนาตนามสถานที่และอารมณ์แห่งธรรมที่ได้บำเพ็ญมานี้ยพอได้เป็นคติตัวอย่างให้เป็นที่ยึดที่เกาะแก่ผู้เริ่มบำเพ็ญหรือการบำเพ็ญจิตตามธรรมราของจิตจะมีแต่ความรุ่งเหืงวุ่นวาย มีตอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตจากการผลักดันของอวิชชาปัจจยายสร้างข้าหละเป็นสังขารประเภทต่างๆคือปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆไม่หยุดไปยังสัญญาความจำหมายคนความจำได้หมายรู้ ก, ก็แทรกไปตามแทรกไปตามกอตั้งแต่ความกังวลวุ่นวายก่อให้ใจยอยู่เสมอนี่เป็นปกติของใจไม่ว่า เป็นนักบวชหรือค า, ารวะทีนี้เราไปมาอยู่เป็นนักบวชแล้วเพื่อบรรเทาทำเข้าจิตใจต้องได้มีธรรมเป็นเพื่องกํากับเพื่อจะระงับความคิดตุ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบวชธรรมถ้าระงับเฉยๆจะระงับไม่ได้ต้องอาศัยบทชธรรมข้อจิตทําหน้าที่อันเดียว ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทําหน้าที่อันเดียวอยู่นั่นงานสองเข้ามาก็เรียกว่าแย่งงานกันแล้วต้องให้มีงานอันเดียวคือเราเจริญจิตใจด้วยบทภาวนาเนี่ยผู้ฝึกหัดเบื้องต้นนะให้ฝึกหัดภาวนาอบรมมีคำบุญกรรมเป็นเครื่องกำกับใจอย่าเสมอเราอย่าปล่อยคำมุญกรรมเห็นว่า อย่างหนึ่งเห็นว่าไม่ทันการนี่แล้วหนักเข้าไปกว่านั้นเลยกลายเป็นว่าเห็นว่าคืบไปเรี่อเราคิดนึกแบบเรียนรับให้จิตระบบ ไ, ไปเองไปเองอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นความอุตตฤิตอันหนึ่งของจิตมันเกิดมาเรื่อยๆ เ, เพราะมันชอบอุตตฤิชอบทะนงตัวเมื่อทําแทะเข้าไปมันจ้งต้องต้องปรับทั้งทั้งคุณธรรมเป็นความถูกต้องสวยงาม มันต้งองยางปัดส่วนได้แล้วก็เรียนรักนึกแต่ความรู้เฉยๆเฉยๆให้จิตกําหนดให้สติอยู่กับความรู้ความรู้มันก็ไม่เป็นหลักเป็นใจอะไรเลยเพราะความรู้สติเผลอได้ง่ายถึงเมื่อสติเผลอความรู้ก็ถูกเฉลี่ยล่าให้ทะเลสาบไปที่ต่างๆตามอารมณ์ที่เคยคิดเคยกลุ่ม น, น, นั่นแหละแล้วก็กลายเป็นเฉลีล้วนๆขึ้นมาแทนที่ที่เราว่าเราภาวนา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 ครับบริกรรมหรือกรรมฐานสี่สิบซึ่งเคยบริกรรมเป็นสมถะธรรมนี้ให้กระจายเป็นวิปัสนาธรรมขึ้นได้ตามขัน้นตามภูมิของตนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมเหล่านี้ไปทางวิปัสนาด้านปัญญาได้ในเบื้องต้นเราจะยึดอะไรเช่นกรรมฐานสี่สิบเราจะเอาอะไรเช่นพุโทโธตัโมสังโฆหรืออนุสติสิปัสผ้าสิบอย่างนี้เป็นต้น หรือพุโทโธนี่เรียก ว, ว่าอนุสติสิบนะเราจะนึกพุโทโธก็ได้ธโมกมโขก็ได้สัมโคก็ได้หรืออนาปานาัชติก็ได้แล้วให้กั้งสติด้วยดีกํากับคำบริกรรมไว้กับจิตตนเองอย่าถืองานอื่นงานใดว่าเป็นงานสําคัญยิ่งกว่างานบริกรรมที่กํากับด้วยสติอย่างแข้มนวดปวดขนันนี้นี่เรียกว่าประกอบความเพียร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 คำบริกรรมด้วยชติอย่างแนบแน่นแล้วอย่างแนบแน่นแล้วสัญญาอารมณ์อื่นใดก็ไม่เข้ามารบกวนคือจิตนี้จะไม่ผักถูกผักดันออกไปให้คิดให้ถึงเพราะคำบริกรรมบีบบังคับเอาไว้เนี่คือว่าจิตทําหน้าที่เดียวเวลากําลังพุทโธพุทโธน่งานอื่นเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าเราปล่อยพุทโธในงานอื่นแทร ก, กทัเนเทียิตจึงต้องปัดงานอื่นไว้ด้วยการป้องกันกันกบพุทโธ มีสติเป็นเครื่องกำกับให้ทำอยู่อย่างนี้อให้จริงให้จังกับงานของตนอย่้อเหละโลเละนะการบำเพ็ญต้องเป็นนะั้นจากนั้นเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นจิตจะก้องอย่างเข้าสู่ความสงบแม้จะไม่สงบอย่างแน่วแน่อย่างี่ว่าจิตดู้วอมจิตรวนกว่าตามแต่จิตจะสงบอยู่กับคำบริกรรม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 และเบื้องต้นจริงๆก็อาศัยอยู่กับคําบริกรรมเพราะาคำบริกรรมสมควรแต่การที่จิตสงบเข้ามาเป็นครั้งเป็นข่าวแล้วจิตจะสงบให้เหตุตัวเอง mm hmm. นั่นแหเห็นเมื่อสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างพลังขึ้นมาจากความสงบนั้นถุกครัง้งถูกครัง้งความงังเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้จะหนุนใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาทีนี้สมาธิ ก็ตั้งมั่นขึ้นมาขึ้นมาจากความสงบแล้วสง บ, บเราหลายครั้งหลายหมูแล้วฐานข้างฐานเนี่ยสมาธิขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคําว่าสมาธิกับความสงบนั้นต่างกันในภาคปฏิบัติคือความสงบเราภาวนาอย่างนี้จิต ก, ก็เข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบได้หลายครั้งหลายหมู่ต่อแล้วก็บสร้างฐาน แห่งสมาธิขึ้นภายในตัวเองเป็นลําดับ ล, ลาําร้จนกระทั่งจิตแนมหนามั่นคงขึ้นเป็นสมาธิจิตมั่นคงเรียกว่าสมาธิมั่นคงในในในขั้นของสมาธิพอจิตมีความสงบแล้วก็เข้าเป็นสมาธิเรื่องสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยกอ่อขวนญก็หลอดเวลานั้นจะระงับดับตัวไปเองการอยากคิดถึงรูปถึงเสียงถึง่นว่าเครื่องน้ผัดความอยากคิดเหล่านี้ จะระ ง, งับตัวลงไปด้วยอำ น, นาจแห่งความสงบบีบบังคับมันไว้เหมือนหินทับยากคันต่อบวันนี้เปิดหินออกคือให้ปัญญาก้าวเดินดังนั้นเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญานี่ต้องถือฐานของเราที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วตั้งแต่เบื้องต้นนังที่เราบวชแล้วได้รับมาทุกทุกหลายขึ้นต้นตั้งแต่เจส า, านุมาณาขาทันตาจตโตทาไม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 เปิดทําให้เขาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยดีให้เห็นตามหลักความเป็นจริงจริงที่กิเลสหรือโลกในนะั้นในยึดในถือมั่นขึ้นมาแล้วก็สร้างความทุกข์เขาหล่นตนเดียวมาโดยดับบัดนี้คลี่คลายด้วยกมรฐานห้าข้อก่อนเจสาลูมานขาธรรตาตะโจท่านผู้เรียนแล้วทราบเจสาแปลว่าผมขนแล้วปันหนังพอไปถึงหนังแล้วเท่า น, นั้น ท่านดุดถ้าจะว่ามีเวลาเพียงเล็กน้อยจะ ก, ก่อนแล้วพิจารณาต่อไปหรือสอนต่อไปอก็ถูกแต่หลักใหญ่ท่านสอนห้ากรรมาฐานนี้เป็นสําคัญมากตั้งลงไปนี้แล้วจะค่อยกระจายทั่วถึงกัวเองในสกลกายทั้งเขาทั้งเราด้วยการพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยโดยทางปัญญาเจ้าสาพิจารณาผมมาเกิดมาจากไหน มันเกิดมาจากแดนสวรรค์แดนไหนที่ว่าสะอาดสะอ้านเกินโลกเกินนิสานไปคือแดนสวรรค์แดนไหนผมมันจะเกิดขึ้นมาจากหัวอยู่ในตัวของเราหัวนี่มันมีความสะอาดอ้านมาจากไหนหนังหุ้มห่อไว้หนังสะอาดที่ตรงไหนผมเกิดขึ้นมาจากหนังแค่แค่ทำไมถึงว่าเป็นของสวยส ง, งา่ามถ้าเป็นแปลเป็นของสวยงางตกแต่งมันจะหาอะไรนี่มันก็ขัดแย้งกันระหว่างเกตกับผล ถ้าว่ามันสวยงามและตกแต่งอะไรนี่ตกแต่งการชั่วฟ้าดินแดนทุกแห่งขึน้นผลนี่ก็คือมันไม่สวยไม่งามผมเกิดมาจากสถานที่ที่สกะปรกได้แก่หนังแล้วหนังนี่หุ้มห่ออะไรเอาพิจารณานี่แหละเรื่องปัญญาจากระจายเข้าไปกระจายเข้ไปหนังมันสกะโปกหรือสะอาดดูที่ผิวหนังบางๆก็ว่าสอาดมันจะอะไรที่เหงื่อที่ใครท่อกมันอยู่ในหนังบางๆ เขาเรียกว่านังกําำคาหนังฝุ่นหนังกํำพ า, น, น, น, พานี่ก็มีขี้เหนือขี้ใครติดอยู่นั้นนั่นมันสะอาดที่ตรงไหนผมเกิดขึ้นที่นั่นเอาความสะาดมาจากไหนหนังนี้มันเอาสะอาดมาจากไหนแล้วมันก็วิ่งเข้าถึงกระโหลกศีรษะทั่วร่างกายเราภายในร่างกายเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงแต่ฐานเต็มไปหมดในร่างกายไม่มีตรงไหนว่าสะอาดเลยที่พอดูได้ก็คือเอาหนังหอเอาไว้ตอนนั้นเอง คนทั้งคนทั้งสัดเอาหนังห่อไว้ประดับประดาตกแต่งเช่นหมาจักต่างๆก็มีขนเป็นเครื่องประดับแต่ถ้าไม่มีขนมันก็เอาผิวหนังของมันว่าสวยว่างามเป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องปลอดภัยกับสิ่งสัมผัสทั้งหลายแล้วทีนี้ดูหนังเป็นยังไงดูรอบตัวหนังเนี่ยมันมีรอบตัวห่ออะไรไว้พอสิ่งสปกปรกโส ม, มุมไว้ทั้งหมด ในร่างกายนี้มีตั้งแต่เรื่องความสกรปกรกส้มหมอเต็มตัวของเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งตัดทั้งบุตรคนแต่ไม่มีใครมองมองตั้งแต่ผิวหนังบางๆและเห่อเป็นบ้ากันโลกยังมีตั้งแต่ความทุกข์ความรำล้ำเพราะไม่มองตามความสัตย์ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้มองมองตามความจริงดูเข้าไปถึงหลังแล้วท่านหยุู่นี่เวลาเราใช้ทางด้านปัญญาออกพิจารณาแล้ว เพียงแต่หนัองอย่างไรแล้วดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าดูให้ทั่วถึงมันเป็นยังไงไม่ตั้งแต่ปลาท้าของตัวตกระปุกกระมุมเต็มตเนื้อเต็มตัวที่โลกอยู่ได้นี้อยู่ได้เพียงหนังกำพร้าตัวนั้นห่อเอาไว้บางอาหุ้มห่อเอาไว้บางบางเอาที่นี่เราขลกหนังกำพร้าออกมาลอกหนังกำพร้าออกมานั้นมาลวงกันแล้วมันจะได้เท่าก้อนหเท่ากําปั้นไหม หนังกําพร้าบางๆที่เราตาตัดโลกอยู่เวลานี้อทัดทัดโลกออกมาแล้วก็ได้บางๆนิดหนึ่งมารวมกันแล้วเป็นก้อนเท่ากำพันก็ไม่นอกนั้นมีแต่ซากระสุกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหยุ่นทั้งสายนี่คือการพิจารณาตามหลักความจริงวันนี้จะสอนอัดคำตามหลักความจริงที่จะลื้อถอนตัวในพ้นกับสมชื่อสมนามว่าเราเป็นนักบวชพิจารณาอย่างนี้ แล้วเข้าไปตามอวัยวะต่างๆที่จิตใจมีจริตนิสัยชอบในแง่ใดมุมใดของกรรมาฐานทั้งหมดที่เต็มในตัวของเรากรรมาฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานให้ท่านทั้งหลายทราบเสียว่ากรรมาฐานกรรมาฐานฐานหน้าก็คือที่ตั้งกรรมมากัางานเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานอันเหมาะสมนอย่างยิ่งสําหรับผู้บําเพ็ญธรรมจึงเรียกท่านจึง เ, เรียกว่ากรรมาฐา น, นรกรรมฐาน เล่าพิจารณาสิ่งเหล่านี้เอาไปกระจายทั่วร่างกายการพิจารณานี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพักไปเป็นระยะระยะเมื่อจิจเข้าพ่อยเข้าใจเ ข, ข้าใจและเน้นเหนื่อยไม่ล้ะในการพิจารณาที่สายสิ่งนี้แล้วถอนจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความพักสงบทียากว่าพักงานพักอารมณ์ให้สงบในขณะที่จิตสงบ นั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาขั้นใดตอนใดทั้งหมดให้ตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้มีความสงบเย็นความสงบของจิตเพียงขั้นมสมาธิก็อยู่ดีกินดีสบายแล้วคือมีอารมณ์อันเดียวที่แต่ความรู้แน่วอารมณ์มอื่นใดไม่เข้ามาเจื่ยวนท่านเรียกว่าจิตพักสงบพอได้ความสงบพอกำลังของตัวเองแล้วก็เทียบเหมือนกับเราตื่นนอนนอนหลับ เวลาตื่นขึ้นมาแล้วกระพี้กระเป๋ามีกําลังบงังอาจิตของเราเมื่อถอนออกมาจากความสงบแล้วก็มีความคลื้นบานขันสาภายในตัวเองแง่ออกก้าวออกทางด้านปัญญาอีกด้วยสติทั้งนั้นนะคําว่าสตินี้จะขาดจะจากาาหรือจะภลาดกันาดต้องมีสติเป็นพื้นฐานสําคัญขั้งสมรรถะและวิปัสสนาจากนั้นก็ก้างพิจารณาพิจารณาอันเก่านั้นแหละจิตมันติดของเก่า โรคเปรตสาโรมาน่าขานตาตกตัวอวัยะวะมีอาการถานที่สองพิจารณาอันใดที่เเราติดใจกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นแล้วมันจะรูปหลามรูป ล, ลามเหมือนไฟได้เชื้อเข้าไปหากองอสุภะสุขัให้เห็นโทษเสียงภัยของมันซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าสงวนมันก็ค่อยปล่อยวางอุปทานความยึดตันถึงมั่นต่อไปจากความรู้ความถึงที่ว่ามันไม่สอาดไม่สวยไม่านามนั่นแหละ จากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อสิ่งเหล่านี้ที่เรากอดเราลัดด้วยอุปทานของเราตลอดมามันจะขี้สายออกไปด้วยปัญญาเป็นผู้เปิดทางให้เปิดทางให้นี่วิธีการแห่งการพิจาราณาภาวนายาปล่อยวางลูกหลานทั้งหลายให้ยืดตไวนะ้นเะหลองตานี่ได้เคยดำเนินมาแล้วอย่างโทกโศนเรื่องพูดไม่มีแต่ก็ทานในเรียกว่าเขาเรียกว่าเวทีนักต่อสู้ ระหว่างกิ่เหล็กกับธรรมฟาดฟัดกันคือบนหัวใจนี่เรียกว่าเวทีที่หนึง่งร่างกายของเราเป็นเวทีที่สองยอดแรับความประทบประเทือนเหมือนกันทางใจก็ทําหน้าที่การงานทางร่างกายก็รับเช่นนั่งนานนี่กายจะรับภาระยืนนานเดินนานกายรับภาระภาระเหล่านี้ก็จะทอนย้อนกลับมาให้เป็นทุกข์แก่ร่างกายอยู่โดยดีนี่เวลาพิจารณาให้พิจารณาอย่างนั้นนะ วันนี้จะพูดมากยิ่งกว่านี้ว่าอะไพูดให้พระลูกหลานทั้งหลายฟังตามที่อืมพอจะเป็นคติตัวอย่างการพิจนารณาร่างกายนี้เอาให้หนักเอาให้หนักนะเอาทุพหั่นทุกขังทุกขังอนุธาตุป่ า, า, ปาชา้าผีดิบให้ถือตัวอย่างนี้คือป่าชา้าผีดิบเดินไปแม่ที่สุดก้าเขาไปยินทบบาทก็คือป่าชา้าผีดิบก้าเขายินทบบาทนั่นเอง นั่งนอนมีแต่ป่าชา้าผีดิบเปลี่ยนอาการของป่าชา้าผีดิบผีดิบตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาอยู่เสมอแล้วจิตใจของเราจะค่อยพี้สายออกมาพี้สายออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นจากนั้นสติปัญญาก็คล่องแคล่วไปเรื่อยๆการพิจารณาร่างกายนจะคล่องตัวไปโดยลาดับถ้าทําด้วยความมีสติต่าด้วยความตั้งมัดตั้งใจอย่างนี้จริงๆแล้วจะไม่ล่องเหลือจากนี้ไปเล ย, ยแล้วที่นี่ เรื่องปัญญาจะค่อยๆคล่องตัวการพิจารณาอสุภะาอสาุตังในร่างกายที่แรกก็อื่น อ, อาดเลยนาะยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้บ้างไม่ไมรู้บ้างค้นเราพิจารณาด า, า, านเข้านานเข้าด้วยความตัง้งหัวตั้งใจทีนี้จะแจ่มแจ้งซึ่งไม่ว่าจะเห็นอาการใดในร่างกายจะมีความแจ้งขาวดาวกระจ่างขึ้นมาหายสงสัยขึ้นมาเป็นลํำดับลำดับจงกระทั่งคล่องตัวเวลาพิจารณาร่างกายเป็น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 ติดนิขาดถอนอุปทานความยุ่มั่นถือมั่นจากทางร่างกายเรียกว่าการมราคะถอนขาดสะวั่นไปในขั้นที่พิจารณาท่องสวยแล้วอรูปภาพอรุปทางทุกขังนิจังอนัตตา ม, มารวมอยู่ภายในจิตจิตรู้แจง้งถึงจริงจากสีแล้วปล่อยวางอรูปภาพอรูปงไปนอกทั้งหมดแล้วก็รูลเข้าตัวเองว่าเป็นผู้ไปปลงไปแสงไปยึดไปหมายไปสัำพัญ น, นั่นว่าสวยอันนี้ว่า ง, งามอันนั้นไม่สวยไม่งาม ความจริงก็คือเรื่องของใจไปรวมระแต่เมื่อทราบภายในใจวิวัตตัวนี้เป็นตัวจอมปลอมแแบบออกไปอย่างนี้แส่งออกไปอย่างนี้ไปเป็นสุภาอสุภาสุฟังก็ไปจากหัวใจเมื่อใจตรึงสิ่งเหล่านั้นอสุภาสุฟังทั้งหลายเข้ามาสู่ใจว่าใจเป็นเป็นผู้เป็นอย่างนั้นเองแล้วก็ปล่อยวางสุภาอสุภาภ า, ภายนอกให้หมดเหลือแต่สุภาภายในที่ใจปรุงแต่งหลอกตัวเองมารู้ตรงนี้ว่าใจนี้เรากตเองนี่เรียกว่าปัญญาขั้นขั้นชำนาญ หรือมาเวลาเข้ามาถึงนี่เข้ามาเห็นโทษของอสุภาสุทังซึ่งเป็นเรื่องของจิตตรึนไม่เสียอย่างทีมานั้นเป็นจิตยังภาพเรียกว่าภาพเพื่อฝึกหัดพระสุปัญญาของเราเมื่อเรายังยังต่อยวางา่แล้วภาพมา น, นั้นก็เป็นทางเดินของปัญญาเราอยู่ด้วยู่เมื่อมันปล่อยแล้วเมื่อจิตรวมอสุภาสุกทังสุทัั่งหรืออสุภาสุทังนั้น เข้ามาสู่ใจใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้ตืนเอาแบบนั้นใจเป็นผู้วาดภาพเหล่าอะไรมาเห็นโทษของใจเป็นผู้วาดภาพแล้วใจก็ปล่อยจากอาตุพสุบางทั้งหลายภายนอกเข้ามาถึงอาตุภ่าภายในอย่างเดียวแล้วตั้งอาตุพ่าภายในตัวหลอกเจ๋งๆนี่ขึ้น ม, มาติดข้อมกันเป็นความยํเนียร์ทนามละอียดออกุคขาอาตุพ่าอาตุพังภายในเนีย ก็ค่อยเสื่อมไปหมดไปแล้วขึ้นตั้งขึ้นไม่นานก็ดับไปตั้งขึ้นเป็นภาพอรูปภาสอรปางภายในใจแล้วดับโยงดับโยงสุดท้ายก็แยบแยบแยบเหมือนแข็งหิงห้อยนี่แหละเรียกว่าการฝึกข้อต่อในขั้นพิจารณาตามมาลาคะอสุปภาพอรูางให้พิจารากันอย่างนี้นะมันจะรู้เองว่าการตัดการตัดขาดจากสิ่งใดกะมาตัดขาดที่ใจที่รู้ตัวเองรู้ตัวเองเพราะนักโทษอยู่ที่นี่ เวลามันจ mm ับน pues ี่ไม nah ่ได้มันก <for S 1> <hey> ็ไปเห็นว่าเป็นโทษอยู่ข้างนอกเป็นคุณอยู่ข้างนอกพอพิจารณาชัดเจนแล้วมันก็รวงเข้ามาสุดท้ายก็แยบแยบแยบเหมือนแฉงหินห้อยนนี้ล่ะเรียกว่าการฝึกคร่อมตนในขั้นพิจารณาตามมาลาพะอรุปะคุณธรรมให้พิจารากันอย่างนี้นะมันจะรู้เองว่ากันตัการตัดขาดตัดวิเลศนาจะมาตัดขาดที่ใจที่รู้ตัวเองรู้ตัวเองเพราะนักโทษอยู่ที่นี่ เวลามันจับนี่ไม่ได้มันก็ไปเห็นว่าเป็นโทษอยู่ข้างนอกเป็นคุณอยู่ข้างนอกพอพิจารณาชัดเจนแล้วมันก็รวมเข้ามาสู่ใจซึ่งเป็นตัวสำคัญตัวสำคัญไปหลอกลอนตัวเองปอกไปภายนอกว่าอันนั้นสวยนี่งามไม่สวยไม่งามพอเข้าใจจริงๆแล้วมันมารวมเข้ามาสู่ใจตรงเดียวใจเป็นผูโ้โกหกเห็นโทษของใจต่อยวางอาสุภะสุภังภายนอกไปหมดเหลือจากธรรมชาติแบบนี้แล้วทีนี้ก็ฝึกฝึกซม้ม ภาพที่อสุธาอสุสังภายในใจที่สร้างขึ้นมาแล้วดับไปแล้วสร้างขึ้นมาไม่นานก็ค่อยหมดไปหมดไปแล้วใจตื่นไปหมดสร้างขึ้นมาทีไรเสื่อมลงไปสูนย ล, ล, ลงไปลงไปอยู่กับใจลงไปอยู่กับใจมันก็รู้ชัดรู้ชัดดังนั้นภาพเหล่านี้ก็ไม่ไหม่นั่นเป็นความว่างเปล่าซึ่งมาภาย ใ, ในจิตใจนี่การพิจารณาเรื่องการดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้ดำเนินอย่างนี้นี่พูดเพียงข้าวๆพูดเพียงพอประมาณไม่มากนะ การพิจารณาเรื่องอสุภ้าชุบังสำหรับนักบวชเราต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้นะไปไม่รอดนักตายไปไปที่ไหนไปติดอย่างนี้ล่ะมันพิกเป็นสุภาพทรรมนั่นน่ะไปเดินไปครับประมาทาอยู่ในป่าในเขาไปเห็นผู้หญิงอยู่ในป่าในเขามันก็ไปรักผู้หญิงอยู่ในป่าในเขาว่าสวยว่างามผู้หญิงในป่ากับผู้หญิงในบ้านมันกันเดียวกันหนังห่อกระดูกเหมือนกันมันสวยงามมาที่ไหนนี่เอาทําฟัดก็ตรงนั้น แล้วก็ไปอยู่ในป่ามันก็ไปหลงผู้หญิงในป่าอยู่ในบ้านก็หลงในบ้านมันบ้าหลงบ้าสิดทั้งสองพิจารณาอันนี้ฟาขาดกับบ้านไปเลยอยู่ไหนสบายหมดนี่หละเรื่องการบําเพ็ญธรรมให้เห็นประจักษ์ผลของธรรมพระเจ้าที่ทรงสอนแล้วสอนเพื่อมากเพื่อคนไม่ได้สอนเพื่อให้งมงายไมไ่สอนแบบตุก๊กตาสอนเด็กเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนะสอนจริงๆนี่การ ด, ดําเนิน ทางด้านจิตใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจากการภาวนาจริงๆสมนามพระธรรมพุทธเจ้าจออวัดศาส์ไว้ชอบแล้วนี่ชอบอย่างนี้ใครพิจารณาอย่างไงต้องเห็นผลประจักษ์ไปอย่างนี้นี่เรื่องเรื่องของจิตที่มีความทำนี้ํานานทานานไปอย่างนี้จากนั้นั้งหมดเรื่องร่างกายทั้งเขาทั้งเราหมดภายในความรู้สึกจิตใจจะไม่มีอะไรจะมีแต่นา ม, ามธรรมเมตนาสัญญาสังขารมีอย่างที่เกิดกับ กับกายกับใจมันมันแทรกกันอยู่ในเวลานั้นร่างกายปล่อยไปแล้วรูปปล่อยไปแล้วเวทนาที่อยู่กับกายมันก็ค่อยเริ่มรู้เรื่องกันไปสั้นาสั้นขันหนึ่งอย่างทีนี้รวมเข้าไปอยู่กับจิตเป็นอาการของจิตทั้งนั้นฉันเรียกว่าขันไปว่าฟองไปว่ามวดมันออกจากใจดวงเดียวเนี่ยใจดวงนี้บรรจุอวิชาไว้นั้นมันมีไผ่ทราบนะนี้แหละตัวร่างใหญ่แห่งพวกชาติอยู่ที่อวิชาไปยาถ้าเราไม่เปิดอันนี้เข้าไปเราจะไม่เห็นตัวใหญ่ของมัน มีหลักการพาิจารณากรรมฐานซึ่งเปิดก็ไปเรื่องอย่างนี้แหละตั้งแต่ลูกตายไม่ปิดมิ ด, มดทิศเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นให้เห็นแต่กงจับเป็นดอกบัวกงจับเป็นดอกบักวพอเปิดออกให้เห็นกงจับเป็นงเงินจับดอกบัวเป็นดอกบัวแล้วก็เข้าสูขข่ความยี้หนามาทำเวทนาสัญญาสังขารนิยามพิจารณาสิ่ ง, ง น, าา น, นี้มีเกิดมีดับด้วยสติปรรัญญาที่ทันสมยัยตลอดเวลาเปิดภาพดักฟ้าเปิ ด, ดก้าวดัเพราะไม่ยืดไม่ถือและตามต้นเขาไปว่ามันเกิดมาจากไหนทั้งดีทั้งชั่ว แล้วปรุงไปแล้วดับไปปรุงไปแล้วดับไปปุงุงจากจิต ด, ดับลงไปที่สิตพิจารณาตามต้เนเ่ตุเข้าไปืแล้วสุดท้ายมันจะไปหาจิตในจิตที่ว่าคือจิตทัานในทัานนี้นะจะเป็นจิตที่สว่างสไ外出จะหนึ่งว่าเป็นจิตที่เลิศเลยสําหรับผู้ที่ยังยังไม่เข้าใจดังนั้นจิตทัานนี้ว่าเป็นจิตที่แตกประหลาดอาศัศจรรย์อยู่อย่างมากเกี่ยวนี่แหละคือจิตวิชาลวงศัตว์ถึงทําขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีะ พอถึงนี่แลจิตจะเทินอยู่ในคพันสว่างสวัยอัศจรรย์แล้วพิจารณาความเกิดความดับของจิตมันได้แสต้รังคาดึงดันรับทราบเลยดับไปดับไปเติดที่จิตดับที่จิตทั้อะไรมาสัมผัดจิตรับรู้รู้ดับที่จิตพิจารณาตามต้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงใจนั่นแหละใจแท้ น, นคำว่าใจนั้นนั่นแหละคือลังแหงมิจฉาอ ย, อยู่ที่นั้นมันครอบไปหมดมันส่งรัฐมีออกมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งอมองไว้ที่ไหนที่ไหน สว่างกระจางแจ้งอธิการไปหมดนี่แหละอวิชชาภาพอาวิชชารองสัมโลกเราต้องถ้าเราไม่เคยรู้ก็เห็นก็ว่าเราได้พบของอธิการแล้วแต่เวลาผ่านนี่ไปแล้วพอเข้าถึงจิตจริงๆแล้วโบสที่มันจะขาดสะบ้นออกจากกาันจริงๆระหว่างมีมดกับสมมตินี่คือว่าจะต้องได้เข้าถึงจิตจิตนี่เป็นตัวภยัยจิตนี่เป็นตัวโทษจิตนี่เป็นมหาภายัย จิตติสติปัญญาเจอเข้าตรงมหาไปนั่นขาดจากบ้านของใจตรงนั้นเมื่อติตควรแต่การทําลายแล้วจะเป็นอย่างนี้พอถึงท่านนี้แล้วจิตที่อัศจรรย์นี้แตกกระจายไปกลายเป็นกองขี้ไยขึ้นมากองหนึ่งเท่านั้นในความรู้สึกของเรา ข, ขั้นขั้นแรกขั้นเวลาขั้นหลุดพ้นไปจากนี้แล้วเป็นความสว่างขึ้นมาเรียกว่าความสว่างอนั้นเป็นความสว่าง อ, งองมิมุตหลุดพ้นเป็นความสว่างพูดง่ายว่าของพระนิพพาน มาดูฟางที่ฝ่ายซึ่งเป็นความสว่างของอวิชชาปัจจญาทั้งตลายมันจึงได้เห็นโทษอย่ญญางชัดเจนแต่เวลานั้นอวิชชาเรายังไม่เห็นมันกล้าสัจักรลอกเราอยู่ได้นี่แหละกระสับกระสจักคืออวิชชาปัญญาล่อลวงสัตว์โลกอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเห็นอะไรดีมาเรื่อยดีมาเรื่อยเลยจนกระทั่งเขามาถึงจิตอวิชชาแท่นี่แหละมันหลอกได้อย่างแยบวนมากนะผู้ปฏิบัติหลงถ้าไม่มีผู้นีผู้ บอกไว้ก่อนแล้วต้องปฏิบัติอันนี้ซะก่อนเอจูงรูกคำคำเทินอยู่กับความสุขความสบายของตัวเองแล้วความสว่างประจา่างแจ้งภายในที่มีวิชาสองตัวนี้ไปไม่ดูเนื้อรู้ตัวก็มีคนแนะนําสอนแล้วมันก็รู้ว่าเอาไปถึงจุดนี้แล้นี่แหละเนี่ยมันก็จับจุดนี้แล้วว่าเป็นมหาโจรซัดเข้าไปมหาโจรนี่แล้วพังทลายนี่กลายเป็นความที่ฝวายขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของยมูอุโทน พอถึงขังน้นมูลุกค้นความสว่างาของมูลุกค้นเป็นยังไงจับความสว่า ง, า ข, างาของวิชาซึ่งเป็นกองที่คอยมันเทียบกันได้อย่างไงนี่ร้านนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นอย่างนี้คือผู้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้เราไม่ได้มาพูดแบบลูปทำคำนะเราพูดมาจากความอฏิบัติปฏิบัติของเราทางเหตุเอาอย่างเต็มเหนีวเอาถ้าหลับเป็นก็ต่ายเขาว่าการพิจารณาเรื่องว่านี่พูดเพียงย่อให้ฟังรูป้ผปลานทั้งหลายฝั่งแต่เวลามันฟัดกัน อยู่บนเวทีนั้นเป็นเวลาขี่ตีไม่ตั้งกต่เรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำเราเหมือนเขาคาดเขาไถานาเนี่ยคาดไปคาดมาไถาไปไโจนที่มูอคาดมือไถแตกประจกระจายละเอียดออกแล้วควรแกการปักดั่เป็นขั้นขั้นไปมันก็รู้เองภายในจิตใจถึงเมื่อวลาเส ร, ร็จเรียบร้อยแล้วอเรื่องการพิจารณาดีงานนี้นมัน้งหมดเพราะพิจารณาเพื่อรู้ก็มาลู้เห็นเต็มหัวใจลาไปหมดแล้วพิจาราหาอะไรนันก็รู้เอง นี่ละธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ส่งต่อมาที่ที่ส่งไว้ซึ่งมัรคสุนิพานเป็นอาการที่โกรตลอดมาขอให้มีผู้ปฏิบัติตามเถอดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติแบบตั้งแต่คมภีเวลานไม่ว่าท่านหรลอามันแบกด้วยฐานนั่นแหละเรียนอะไรก็เรียนตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์จงอางทั้งสิ้นของโลกนิพานมันก็แบกความสงสัยไปถึงนิพานถึงนิพานเรียนถึงนิพานเนี่ยมันเองนิพานมีหรือไม่มีนะท่านยังท่านยังดีอยู่กันนิพานมีหรือไม่มีนะ ถ้าเร็วก็นนะักอ น, นิพพานไม่มีบาบุญนรกสวรรค์ไม่มีล้อไปหมดนี่คือวิคือพิเลนตันหามันเหยียบย่ําทํำลายตัดโลกแต่เพราะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราอย่าให้มันเหยียบย่ทำทาลายได้เพราะมันแตกกระจายไปพร่องนิพพานซึ่งภายใน น, นี่แหละต้านปฏิบัติธรรมให้ต้านแต่งลายตําเอาไว้อย่าไปดุ่งเดือดวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมันมีแต่ความมั่วความพูดเนื้อแต่ปืนแต่ไปให้หมุนใจเข้าสู่สติปัญญากับ การภาวนาของเราเริ่มจากคำมุ่งตร้งคุ้มไปการพำงานทางด้านปัญญาขอให้ทิงานเป็นรักเป็นตอนดังที่กล่าวเหล่านี้ถึงเวลาพักสมาธิให้พักจิตถึงท่านที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นจริงๆนะท่านอัตโนมัติของสติปัญญาอย่างที่ท่านแสดงไว้ในปริยัติมันก็เห็นแต่มันไม่เมื่อมันม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้สำหรับปัญญาเกิดขึ้นส า, สามสถานสุตตามัญญาปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ได้ยินได้ฟังจิตปัญญาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจมีงานแต่งตงสองคนโดยทั่วไปธรรมดาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี่เราไม่เข้าใจเลยเวลาเรียนอยู่โน่นเวลาออกปฏิบัติถึงขั้นปัญญาที่เป็นภาวนาล้วนๆนั้นมันเต็มขึ้นภายในใจไม่ต้องไปถามใครนี่หละที่นี่ไปพาวนญญาปัญญาปัญญาเป็นปัญญาสมุทต์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ ราคาตันหาขาดสะบั้นไปจากใจแล้วปัญญานี้จะก้าวเดินเพื่อ น, นามาทำทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสั้งขานวิญญาณจนกระทั่งเข้าสู่วิสาปัญญาอัตโนมัตินี้จะก้าวเดินเป็นอัตโนมัติทติปัญญาอัตโนมัติสมัติและก็เชื่อมโยงกับมหาสิมหาปัญญาทีเลียงมีงมากน้อยอย่างไรขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปโดยอัตโนมัติของซึ่งปัญญาสังหารมันไปโดยลำดับนั่นแหละเช่นเดียวกันกับเวลากิเลียงมีความเลหัวใจของเรา มากน้อยนี่กิเลสจะเป็นอัตโนมัติของมันสร้างกันแต่กว่าแต่น้ําแต่พืนแต่ไปแต่วัตจักรประจําจิตใจของสักว์ทั่วข้าวัวไปไม่มีเวลายับยัง้งนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสสร้างตัวของมันบนหัวใจของสัตวทีนี้เราจะมาเพ็นทางด้านจิตตภาวนาตั้งเริ่มต้นตั้งแต่อบรมบุติกรรมภาวนาขึ้นไปก้าวไปลําดับระดับจนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วที่จะ้าวเข้าสู่มหาปัญญาเชื่อมโยงกันไป นี่เระตั้งแต่มหาสติมหาปัญญาตั้งแต่สติปัญญาอัมัติท่านผ่านตามมะลักาณิไปได้แล้วนี่สติปัญญาเป็นอัตโนมัติโดยตรงอยู่ที่ไหนหมุนตัวเป็นเตียวตลอดเวลาต้องได้ล้างเอาไว้ไม่ล้างมาได้มันรีบมันรวนมันคุ่งเร็วเห็นโทษเห็นจริงๆของกิเลสตัณหาเห็นหมดเห็นจกนกระทั่งถึงว่าอรอไม่ได้การหลับนอนไม่เป็นหลักเป็นตื่นเนี่ยมันไม่ยอมหลับ มีแต่เล่นฟัดกันอย่าเหมือนนักวยขึ้นบนเวทีฟัดกันแล้วเข้าวงในกันใครจะไปหาเวลาอ่อนข้อยอๆได้ยังไงถูกเนาะมีระหว่างกิเลสกับความฟัดกันบนหัวใจโดยทางสติปัญญาอัตนมัตินี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมุนตัวเป็นเสียวเป็นเสียวตลอดไปแล้วจากนั้นก็เชื่อมโยงเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาอหาสติปัญญานี่กับสติปัญญาอัตนมัตินี่เชื่อมโยงเข้าไปแล้วทีนี้ เรื่องของกิเลสไม่ต้องบอกมอยู่ที่ไหนคุยเกี่ยวกุศลตลอดเวลาเวลาเจอกันก็ฟาดกันฟัดกันเวลาไม่เจอคุยเกี่ยวกุศลหาด้วยทัศน์ปัญญาสัุมาติาตลอดไปจนกระทั่งถึงเนื้อถึงอวิชาปัญญาสร้งางธาตุตัวสําคัญตัวมหาภายัยคือตัวกาที่สง่งฤทธานุภาพนุชิตสันดานุภาพไว้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งสว่างกระจ่างแจ้งนี้นหลอกผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ไปหลงกันที่ของนั้น เมื่อต่อเข้าไปตรงนั้นว่าเห็นว่าเป็นมหาภัยและขาดกระบัดไปกลายเป็นความ่ิพายขึ้นมาจิตนั้นเป็นเป็นจิตที่เลิศเลยยิ่งกว่าความที่ิพาทเป็นเป็นไหนๆมันก็รู้เองเนี่ยหลพอ ถ, ถึงกันนี้แล้วถามวานี่ผ่านที่ไหนนนั้ถามมามากผลไม่ผ่านถามมาที่ไหนผู้ปฏิบัติเท่านั้นเรียกว่าเป็นขันที่จะโกจะรู้เองเห็นเห็นด้วยภาคปฏิบัติของตนอย่างอื่นรู้ไม่ได้นะแล้วเรียนมามากม า, มาน้อยไม่ว่าท่านาว่าเราเรียนมันจะเป็นสภาพความจํา มันไม่ใช่ความจริงเหมือนเราเรามีแบบแปลนแังเรียนตามแบบแปลนแผงลำดับตำราก็คือแบบแปลนแังของบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานแห่งศาตนานั้นเองเราเรียนเฉยๆแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติว่าบาปมันก็มีแต่ชื่อตัวว่าจริงๆไม่เห็นบุญก็มีแต่ชื่อตัวบุญจรงไม่เห็นเรียนนรกสวรรค์ก็เหมือนกันเราเห็นแต่ชื่อของนรกสวรรค์พอมมโรคนิพพานเปรตหนูเปรต่างๆที่แสดง ไว้แล้วในอัตถิธรรมทั้งหลายในปริยัติในพระกายพระสงฆ์ด้วยความรู้จริงแห็นจริงของท่านแต่เราวันไม่จริงมันมีแต่ความจํามีแต่ความจ ำ, มจมจำแล้วความจํานี่ปริตไปหมดว่ า, า, วามรรคผลยุคผ่านไม่มีไม่มีนี่แต่ความจําความจำในกายมา ท, า ท, ท, าทั้งขานเจ้าของแท้เองถ้าไม่ไม่มีสติดังขยับยังบออ้งตสอบพิจารณาเจ้าของให้ออกทางด้านปฏิบัติที่กายหาของจริงพระพุทธเจ้าคงสอนปริยัติปฏิบัติปฏิเวสเสียวโยงถึงตสารศาสนาทั้งจากสมุทต์ถ้ามีแต่ปริยัติก็มีแต่คาพี มีแต่แปนเต็มห้องเต็มหมอกไม่ไม่มีขยับขยายมาันออกมาผูกบ้านช้างเรือมันก็ไม่สาเร็จเป็นบ้านเรือ น, นี่มีตั้งแต่ปริยัติแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาศีลแล้วก็ไม่รักษาเสียเนี่ยสมาธ่อบรมจิตใจก็ไม่มีแต่ปัญญาจะมีมาจากไหนาความเดือดพ้มีมาจากไหนาคววาานาำว่าปฏิเวทัปปิวัฏฐะก็ไม่มีผลพระภาพปฏิบัติเปิดทางให้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติศึกษาแล้วเรียนแบบแปลนนั้นผังมาแล้วให้ออกทางปฏิบัติคือ เอาการแช่เกลือเดินตรงพรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเระบวชมานี้เรามีศีลน่าตั้งแต่วันบวชให้รักษาศีลที่เอ่ยไว้ดียาทําลายศีลยทายยทาศิลให้ดางให้คอ ย, คอยก็เจอเรามีศีลเมื่อมีศีลแล้วเราก็อบอุ่นไปที่ไหนเราก็ไม่ระแวงไม่ระแวงแทนใจเนี่ยก็พิจารณาทางด้านปัญญาเอาทางด้านาจิตใจทำเข้าไปสู่ความสงบและแต่สมาธิภาวนาไปเรื่อยเขแจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยถามที่ที่โกไปด้วยเป็นปฏิเวกไปเรื่อยเรื่อยเรื่นี่ย ความจำกับความจริงต่างกันความจำได้มาเท่าไหร่ไมหายสงสัยไม่เป็นตัวของตัวเลยนะเดินไปถึงไหนจบพระใจไม่จบแบกบัำพีไป้ค็คมภีร์หลังหักความจริงไม่มีมีแต่ความจำแก้ได้หรได้ยังไงแก่ความแก้ได้เรืแก้จากความจริงต่างคือฆาตปฏิวัติสังหความจำจำมาเพื่อจะดาเนินงานเพื่อฆ่าไดเหรจากฆาตปฏิวัติสังหานี่เมื่อเรานํามาปฏิบัติทางฆาตหนีแล้วเราจะเห็นขึ้นมาภายในใจเศรษฐประจักษ์ในหัวใจสมาธิสงบประจักษ์ในหัวใจ สมาธิทุกขั้นไม่ต้องมาถามใครขั้นที่ตะ โ, โกัตะโกตีกาไว้หมดไว้หมดจนกระทั่งถึงปัญญาและปัญญาขั้นใดก็รู้เองดังที่นํามาสแดงนี่ไม่ไปถามใครมันเป็นขึ้นในสนามรลกบนเวทีระหว่างที่เด็กกับธําฟัดกันบนหัวใจของผู้ปฏิวัตินั่นแหละมันจะเห็นหมดในสิ่งนั้นที่เด็ดขาดไปมากน้อยมากน้อยเห็นประจกักษ์ในหัวใจในหัวใจนี่มรค น, นี่พ่านจะไม่รู้ได้ยังไงก็มีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกัน เรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงว่าไอ้สิ่งที่ว่านรกสวรรค์ถามหาอะไรนะความรู้มันมืด อ, อยู่ด้วยที่เหลวปิดบังเอาไหมเพื่อเปิดที่เหลวไปคําว่านรกสวรรค์ธรรมโลกนิพพานมีอยู่แล้วท่านสอนไว้วความรูม้ความเห็นของพระพุทธเจ้าเต็นตัดแตนสวนไปสงสัยหาอะไรพเพราะเราตามบอกมันก็ไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นมาสอนเราเราแล้วไม่ยอมรับโง่ไหมมนุษย์เรานี้เราปฏิบัติตามนี่ปฏิบัติตามก็คือตามให้ตามรู้ตามเห็นตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วตามหลับกล่อมอยูงไม่ติดเตี้ยนนั่นแหละ เมื่อปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้ก็จะคอยปรากฏขึ้นภายในใจถามหอะไรทีนี้เอาว่าบาปบุญนรกสวรรค์มันก็มาจักอยู่ในใจเนี่ยขึ้นอยู่ในใจตบาันอยู่ไหนก็อยู่ใจนี่เป็นเครื่องรับทราบตลอดทั้งหมดในแดนโลกธานนี้อย่าว่ า, าในนรกนัเรียกมันนีหรอกแดนโลกธาตไหนจะไม่รู้มันมา ต, ตั้งแต่นิพพานยังคลองใจได้พลุเจ้าวนารกนั้นมันมั น, ม น, ม น, มนเลิศกว่า น, นิพพานหรือถึงจะรู้มันไม่ได้นิพพานยังรู้ใช้ไม่นด้โลู้ไม่ได้ตบันรู้ไม่ได้ เอภิวะเพศ ต, ต่างๆรู้ไม่ได้นี่อยนิพพานยิ่งกว่านี้ยังรู้ได้เห็นได้นี่แหละมันรู้ได้ต่อเห็นนี้เองเพราะงั้นบรรดาสาวกหลายคู่เชี่ยวชาของท่านองค์ต่างองค์ต่างนั้นไปจึงมีความรู้เหล่านี้เป็นสัจจียานาแต่่พระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างนี้แม้จะไม่กว้างกังวันพุทธเจ้าก็ตามนะแต่ความรู้ของท่านเหล่า น, นี้เป็นความรู้ที่เป็นสัจจียานได้รู้ตรงไหนตรงไหนหายตรงไหนกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบอย่างราบเลยเพราะข้าปฏิบัติข้าอื่นไม่มีทางนะผู้ต้องตรง ถ้าไม่นั่งตั้งสมใจปฏิบัติจำมาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์พี่เล็มีเหมือนกันกับโลกตัวตัวไปที่เขไม่ศึกษาธรรมถ้าเราตั้งใจศึกษาธรรมเรียนทําไปด้วยปฏิบัติทำไปด้วยก็เป็นอักเป็นธรรมไปเรื่อยๆถ้าเรียนเฉยไม่สนใจปฏิบัติเรียนทำก็เหมือนกับเป็นโลกไปหมดพี่เล็ถือเป็นเจ้าของยึดอำนาจไปหมดตราเป็นคนเลวตามไปก็ได้จากการเรียนทำมากๆมีเยอะนี่ไอ้าาทั้งหลายที่ยึดนาจเปิดให้ทิ้งทั้งหลายได้สร้างแต่วันนี้การปฏิบัติมาเราได้ผ่านมาทั้งด้านปริญญา ก็ผ er ่านมาเต็มหัวใจของเราทางบ้านปฏิบัตินี่ก็ผ่านมาเต็มหัวใจของเราเวลาผลเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติอย่างเอาสิ่นอจังก็เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ควงถามพระพุทธเจ้าว่าตั้งแต่สมาธิปัญญาอ่านมีมนตร์ฝึกพ้นบาปเปรตบาปศีลสารนรกภริชยทั้งหลายทนรอดถึงนี้ผ่านไม่ถามถามทำไมพระพุทธเจ้ารูแลสอนไปแล้วปฏิบัติเพื่อให้ด้วยเห็นมันจะไปไหนเมื่อปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วมันก็ยอมรับยอมเรานั่นเห็นไหม นี่เราถึงนี้คือไปไหนล่าสมัยไปไหนเวลานี้บาปบุญมีอยู่ไหมหรือถูกกิเลสลบล้างไปหมดแล้วหรือบาปไม่มีบุญไม่มีในโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีตางโลกนิพพานไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ราคาทันหาความโลภไม่รู้จักวันเป็นวันตายครอบหัวต่าโลกดิ้นตาตากันทั้งวันทั้งืนจนไม่มีป่าชาตาและปัญญมลข้ามากุศลธรรมมากุศลธรรมมันไปก็ประโยชน์อะไรกุศลธรรมมามีเครื่องปากมั้งตัวเองไม่เคยสนใจปฏิบัติ นอกจากนั้นแล้วไปในงานศพใดงานศพใดมีแต่ไปโม่ไปคุยไม่ใช่โม่นะไม่ใช่โม่นะไปคุยระบายทุบต่อกันสมาคมที่ที่เมรุวัดต่างๆที่ไปเผาศพนั้นมีแต่สมาคมของพวกกองทุกนี้ไปเปิดทุกต่อกันกระจายทุกต่อกันในสังคมแห่งการเผาศพนั่นเนี่ยไปจับผุ่มจับกลุ่มแล้วผุ่มอยากจะพูดใครก็อยากจะพูยทุกอย่างนั้นทุกคนนี้คนนั้นเปนอย่างนี้คนนี้ไปอย่างนี้ การางานเป็นอยางนั้นการนา็นอย่างนี้การได้อนันเสียเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้ะไม่มีเรื่องอัานเรื่องทำมีความรู้สึกตัวอยู่ท่านเทพท่านศาลาว่าการบูชาคำมาไม่ไม่สนใจฟังมันสนใจตังตั้งแต่ไประบายทุกข์ให้กับฟังใครจะฟังทุกข์ทุกมันเต็มหัวใจทุกคนใครจะมีอยากปากตามอยากพูดแต่พูดไม่ได้คนนั้นพูดมาก่อนสุดท้ายก็แย่งกันยุ่งกันพูดเนี่ยนี่ยไปวัดไปวาเวลานี้มันมีแต่อย่างนั้นน่ะมันมีอัธรธานที่ไหนกัน้างที่นี่หลวงตาอุตลิไปท่านอะไรเห็นไหม ยิ in field, ่งในกรุงเทพเดี๋ยวมีแล้วเต้นไปด้วยสิ่งเหี๋ยวนี้แะละมีการมีงานน่ะนี่แหละจะได้มาระบายทุกข์ต่อการทุกข์อะไรมันคลายมันมีแต่ความความทุกข์ยอดร้อนมาเผากันเผากันพระก็เลยรำแข้งแต่พระทำไมว่าอะไรพุทธศาสนามาแล้วทั้งหมดไปเสียเทสนาว่าการก็ว่าไปตามเรื่องแล้วก็ไปเสียเพราะพวกนี้พระว่าไปแล้วมันก็เป็นเปรตแล้วไปเผาฆ่าอีน่ะเหาว่าพระดุพระด่าอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเป็นบ้าไม่ได้ว่านะถ้าทําคลญแข้งท่านก็ไม่ว่าคือแต่พระอย่างหลมงตาบัวนีไม่แน่นะ มาพอไปะเตะเไดนะ้นี่เดี๋ยวนี้แต่กาลังเตอยู่ด้วยปากไม่ลงให้สั่งทั้งหลายเข้าใจอย่าให้ระบายทุกอย่างนี้ขอให้ปฏิบัติทำเถอะสิ่งอันนี้จะค่อยเบาวางไปโดยลาดับดาเดี๋ยวนี้มันไม่สนใจในอะไรทำอะีร เ, เรื่องทุกข์ทั้งหลายมันจึงพอ่อปุ่นขึ้นมาดูที่ไหนเดือดร้อนไปพอเข้ากลุ่มกันแ ล, แล้วเอาแล้วเอาแต่เลือกความทุกข์มาเผ า, ก, เากันเผากันเนี่ยนี่เหลือมันมันทันสมัยไม่แก่นี่เหลือมรรคผลนิพพานที่จะระงับดับทุกข์เก่านี้ไม่มีบ้างเหรือจะคาาุกของเรา ขอให้นำไปคิดอ่านจากจองทุกคนทุกคนจะได้เห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะจะข้อเจริญภายในจิตใจของเราขึ้นเป็นยอดเฉพาะอย่างนี้นักบวชระปฏิบัติขอให้จริงๆองนักพระรูกประหลงเอาให้จริงให้ได้ครองทำอย่างน้อยต้องมีสมาธิเป็นสมบัติของใจถ้าเราถึงจะอยู่สง่างามมีความสุขสมบัติของข้าไม่เจริอนรองพระของตึกรามบ้านทรงรู้หลาปูฟ่ากี่ห้องกี่หับกี่ชั้นนะนั่นไม่ใช่สมบัติของพระสมบัติของข้าแท้คือสีลสมษณิ สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจากนั้นก็มีโมติสมบัติเนี่ยหาเอาในตัวของเราเองอยู่ที่ไหนบําเพ็ญศีลอย่าให้หล่างต้ออย่าให้ถาดน่าจะลูกเนี่ยก็เป็นศีลขึ้นมาตัวเราทั้งทั้งองค์นี้เป็นท่าทั้งองค์ผู้มีศีลทั้งองค์สมาธิเต็มตัวร่มเย็นไปหมดปัญญาก็จางแจ้งไปแก้ที่อิสระรังกัดถึงขันน้นบีโมตุพ้น อ, อยู่ไหนสบายหมดไม่มีธรรมะอดีตนาคตว่าเกิดมาแล้วที่พบกี่ชาติยุ่งทําไมก็เกิดมาแล้วตายมาแล้วผ่านมาแล้ว แล้วอนาคตจะไปะเกิที่ไห น, นกิที่ไหนเมื่อวันที่สุดแล้วในหัวใจเราเนี่จะเอาอะไรเป็นเชื่อให้พาไปเกิดเนี่ยปัจจุบันก็มันก็มีเหลือแต่ธรรมทานที่จิตหลุกพ้นแ ต, นนตน่แล้วเป็นธรรมทานแล้วอดีตอนาคตมีที่ไหนนี่เราปฏิบัติตัวเองแล้วเป็นชันที่จะโศกยศคือตรงนี้เองท่านทั้งหลายจะทางเข้าใจข้ารู่งข้าลานทุกคนไปอยู่ที่ไหนจะทานาากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทำนะจะไปอยู่แบบความประมาทเอาค่าเหลืองครอบหัวหัวโล้นเขาไม่อยากแต่อนาปชาส่วนญาติโยม จะทำมีติเตียนพระองไหนก็มาได้แลเพราะเขาเต็มพาเหลืองตัวเป็นบาปเป็นกรรมเต็มหัวโล้นม า, เ, นาเราเป็นพระเราเป็นพระก็ยิ่งถนองตัวยิ่งสร้างความชั่วช้าหลามโมขึ้นในสันดานของเราตลอดเวลาไม่มีอยาอา่างอาณาด้านสุดพระเรานะพระที่ไม่ขอแส่หงหาผลงามความดีคือพระนาด้า น, าานอยู่ลึกๆใครจะทำมีติเียนอะไรก็ม่ได้เขาไ ม, ม่จะทำมียิ่งสนุกสร้างความชั่วช้าหลามโมก็ไปไปอยู่ที่ไหนวัดว่าว่าแทนที่จะเป็นสถ า, านที่อบรมบ่มนิสัย เพื่อเป็นปัจจัยต่อบุญต่อบุญลเป็น hum, iral, าอาจเป็ one, overall, on, นธรรมเพื่อนวัดวัากลายเป็นวัดท่วมวัดฐานพระท่วมวัดฐานเต็มวัดเต็มว่าเต็มบ้านเต็มเมืหมดเพราะที่เขาไปสีตลาดนะที่ให้ภากันรู้และรูปตัวรู้ไว้นะเราเป็นพระเขาไม่กล้ามาแตะนะนี่เราเป็นพวกพระกันเองเราแนะนําต่างสอนรู้ด่าว่ากล่าวกันได้เพื่อความดีความดีเป็นที่มผลแต่เราท่าไหร่อย่าให้เขาตำหนินะให้เราตำหนิเราตลอดเวลาก่อนเขานะผิดอย่างไรไม่ดีตรงไหนให้ตำหนิตอนเด่นแก้ไขตรงเด่แล้วจกภาคกลุ่มอะไร อะความตนมีจิตเทียนเขาก็ต้มนิในสิ่งที่เมื่อเราไม่ผิดแล้วเขาจะต้มนิหาอะไรมีไม่ดีต้องกราบไหว้บูชาเคารพเป็นขอนตาขอนใจไปที่ไหนพระท่านมุกมีสิ่งีิดตามพู้คาว่าําไปไหนเย็นไปหมดลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องบอกแหละไปไหนลูกศิษย์ลูกหาถามอะไรดูตัวตัวของเรานี่ก่อนซึ่ตัวของเราพอแล้วใครจะรับถือมารับผือทนทั้งันอะไรเราไม่บกพร่องทุกสิ่งทุกอย่างก็สม้องบุญในตัวของเราเองในวันนี้การแสดงธรรม ก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาเวลาตลอดกําลังวางคาขอให้พาลูกพาหลานนําคํานี้ไปบอกพระพุทธปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาประกอบความ้าความเพียรที่พระพุทธเจ้าแสดงมาแล้วพระพุทธเจ้าทชคดนร้อนอยู่ในธรรมที่สอนเรานี้ละส่วนสัพพะสริราชินีพานไปแล้วพระนั้งสีนี้สีมันก็เหมือนกับเราเราทั้งท่านนะใครเกิดมาพอสมควรแล้วมันก็ตายไปด้วยกันใจพระพุทธเจ้าก็ตายไปได้อย่างเราแต่ทำแท้ที่เป็นตัศน์ตา แนทนคาถาคตก็คือทำแท้ทำแทนะสอนพวกเราอยู่เลยทำนี้เป็นธรรมกุศลร้อนเหมือนฤลษีที่เป็นปร้อนให้ปฏิบัติตัวให้ดีเมื่อปฏิบัติตัวให้ดีแล้วผู้ใด เ, เจ้าอยู่ทีไหนไม่ถามเนี่ถามทำไมทำนั่นเนี่ยเนี่ยวผู้ใดเห็นทำคะนั้นเห็ น, น, นเราคถาโคตนี่เริ่มเชื่อมาแล้วตั้งสมาธิปัญญาเชื่อพระพุทธเจ้าก็มาทั่งลึกถึงมีมุตสุ้นถามพระพุทธเจ้าหาอะไรมันเต็มตัวแล้วพระพุทธเจ้าเสืออะไรก็รู้แล้วรู้แล้วผู้ใดเห็นทำเห็นเราคถาโคตเห็นอยู่ที่ใจอย่างเดียว ไม่ถูกถามพระเจ้าอกแล้วนี่ละการแสดงคำก่อเหน้าสมปวดเอาละพอดีกับการในร่ำเวลาของเราวันนี้เป็นวันมหาหมงคลที่เราทั้งหลายได้มาพบมาเห็นกันปชาชนก็ได้เห็นพระมีจานวนมากซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ้่าก็ได้มาไ ด, ได้ยินได้ฟังอจกคำทั้งหลายแลวงตาเองก็คอยยินดีด้วยนที่ได้แนะนำสั่งสอน ปราชญ์ทกท่หลายซึ่งมีจักกามาวิจากกานประเภทต่งางๆพร้อมจากการบังอาจต่างๆนับวันเราเป็นได้รับที่มมงคลทั่วหน้ากันกานรแสดงคําพราะฉิน้วนว่าสมควรเวลาขอขวัสวัสดีจงมีแจ่ บ, บรรดาที่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเออ